องกันถูกสิ่งแวรลมอมดินคว่าอากาศต้ น, นทานไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงแสดงความไม่เที่ยงอันนี้จะตาความเป็นของไม่เที่ยงดีๆเปลี่ยนแล้ว ท่านจึงว่าเป็นมายาเราว่าดีแต่เดียวไม่ดีกันนี้ถึงเป็นตัวทุกข์นั้นตนได้ยากทนอยู่เจอภาพเดิมไม่ได้นี่มีกันมุกมันนำมุกมันไหลมันจึงไปตามความเป็นจริงของสังขาร ในอาการสามจสองท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเนืองๆแต่เกศาผมผมดำก็เป็นผมขาวเหล่านี้แสดงความไม่คงที่ เดนไม่ปวดอะไรนะผมมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าคนไปยึดมั่นถือมันม่นก็บางทีเกิดเป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันของผมดูมาขุนตัวระพางกาย ของนงินเปิยหน้ากเเป็นของปฏิคูณบุพ โ, โลูหิตก็าหลังไหล อ, ออกมาแต่เราไม่พิจารณาสัญญาคือความจำประยุทธ์มั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นในอดีตมันเกิดขึ้นเปลี่ยนไป เราอาศัยคือน้อมมาพิจนะารณาทำใจก็เรว่ามีสติธรรมะคือสตินี้เป็นคุณณาธรรมมาจำกันเพื่อรู้เพืรูร้ถึงรูประกันในกายอันนี้เล็บบางทีเล็บมันคุดอันคุดก็ไปในเนื้อปวดอีกเหมือนกันจึงเราต้องตัดเล็บ ขัดเป็นธรรมดานี่ถึงโรรักษาเป็นพ ร, ราเป็นพ ร, ราวเวปัญจคันตาคันหน้านี่เป็นพ ร, ราจริงๆเราถึงถนอมกลมเลี้ยงมาตั้งแต่เราอยู่ในคันของมันดานมันดานก็ะ ค, คอยเลี้ยงถนอมคันของท่าน กาทำใจให้ดีเอาบายต่างๆเพื่อให้ทารกในการของท่านมีความปลอดภัยนำใจของพระมารดาจึงเป็นพระของบุตรจันพยายามรักษาโดวยวิธีการต่างๆ ก็ยว่ายอย่างไรยาวิธีแก่ไขการงานทุกอย่างระวังแม่แต่อาหารท่านไม่ได้ไม่ไมไมไมบริโภคเผ็ดเกินไปร้อนเกินไปเย็นเกินไปอะไรเป็นภยัยแก่ทารก็พีอยู่ในกันที่เป็นกรรละ เหมือนกับเมื่อลางใหม่ๆ <ST IT US> เป็นปีศาะ <ST IT US> เป็นกาณะเป็นก้นแต่เรามองแต่เราพิจารณาแต่เราอยู่ปอยู่ในคันของมานดา เป็นปีจเป็นก้นเป็นคนนณะเป็นจกราาเป็นศีราเป็นแขนสงแขนเป็นขาสงขาท่นว่ามันจริงเหลน ต่อมาก็มีอาเย็นมีตาขึ้นม า, าก็ได้อาเจารณะเครื่องประดับของร่างกายเ บ, บืองพึ่งเครประดับของภายนอกบางคนก็ขาดไปจินโบทตาโบดใช้บ้างหูหนวกใช้บ้างหลายๆอย่าง เพราะตนทำความไม่ดีไว้ในอดีตผู้ที่ทำความดีไว้ตาก็สวยงามาตามความนิยมจักวา่ายนีคือตาตาคมดิเคยเห็นผู้ที่มีบารามีอยู่ในทางศาสนา ตาเป็นใจจากป้าเยนะอายนะกึกต า, า, ายนะรูปป้าเยนะรูปสุรูปาตาความเป็นผู้มีรูปสวยท่านบัณฑิตท่านตรัสไว้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ สาวกต่างๆทรงจำไว้ต่นมีไทยวัตถุจำมั่นเชื่อมั่นจำแ ม, ม่นยำหาได้ยากเราเราท่นทานจนได้อาศัยตาดาที่ท่านแต่งไว้อย่างสมเด็จพระมาหาสมนายเจ้ากรมมปริยาวชิริยานนาบรุรส ทรงแต่ฉันในบาลีแต่งคําบาลออีภาษาอินเดียมาเป็นบาหลีบาบาลีภาษาไทยต่อไปก็จะแต่งแก้ตัวไม่ได้แก้คือแต่งแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเป็นภาษาติดไอ้ฝรังมันเข้าใจสื่อกันเข้าใจครับ เึงเราต้องศึกษาแล้วจึงประกาศประศาสนาช้าไปแต่เรามีภาษามันไวขึ้นมาอธิบายกันให้เข้าใจก็สิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นแหละแต่เราไม่สามารถจะทำให้เขาเข้าใจได้ด้วยภาษาภาษาเป็นสื่อให้เข้าใจกันเหมือนภาษาบาลี ภาษจบริเป็นภาษาที่รักษาภาษาไว้ภาษาที่อยู่อย่างนั้นจะแก้ไปอย่างอื่นไม่ได้แม่แนายแพทย์ที่เขาเรียนคือก็ต้องท่องจำในอาการสามสบสองของร่างกาย ละเอียดอ่อนแล้วท่องยากอีกบางคนสอบได้แล้วเรียนแพทย์ในภาษาของแพทย์อีกไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นภาษาของแพทย์เทคนิคของแพทย์อีกที่เขาเรียนหัวเก่งไอคิวเขาดีเราต้องยอมยอกย่องเขาเทิดทูนเขาเพราเขาเก่ง ในทางวิชาการเพราะใน่างศารนาอย่างสมเด็จาระเจ้าทรงตกแต่งภาษาให้เราสามารถศึกษาภาษาบาลีภาษาศาสน า, า, า, าได้ก็ยังดีมากเป็นภาษาที่คงที่หดไม่ได้ขยายไม่ได้อยู่กองกลางนั้น มันเราเกิดมากันอย่างนี้ใครก็เกิดมาเป็นรูปปัน้์อย่างนี้แหละเป็นความจริงอย่างนี้แต่ว่าบุคคลนั้นมีสติปัญญาดีต้องอาศัยคือการฝึกฝนอบอรมจิตใจในปัจจุบันแรงแรงความดีส่งให้บุคคลนั้นมีความฉลาดขึ้นมาศึกษาไวขึ้นมา ให้เข้าใจในความเป็นจริงของรูปก า, ายกินพรมขนเล็บฟันบางคนฟันจนพาบิตะจนตายไม่ไม่อนไม่กระจอนแกง เดี๋ยวนี้ก็ทำฟันดีหลายเป็นหมืน่นเป็นหลายหมืนม่นเหมือนฟังเดิมก็เจาะลงไปเลยครับเขาฟวงเลยนี่เขาทำาแ้เหมือนของเดิมอันนี้ตรงงานยสัพย์แต่วิชาการเขาก็าแก่งเหมือนกันนี่เขาพูดะไ้ฟังในคนนั้นเขาทำแดบด้วยนี่เรี ย, ว, ย, รย ว, ว่ามีบุญเป็นชั้น บุญขั้นเดิมต้นทุนอย่างล่องลงปูบุญญาฤทธิ์ทน่ต้นทุนชีวิตของเราที่ได้มานี้มีต้นทุนดีครับต้นทุนที่แต่ให้เรามีรูปบาพันดีขึ้นมาต้นทุนที่เรามีบาเพ็ญทานทำให้เราอยู่สมได้อุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุปัจจัยเป็นเครื่องอาศัย ในชีวิตตัวเป็นมาจรีดาร่างกายก็เหมือนกันโรคไปก็เจ็บก็น้อยมันก็เป็นบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าแต่ก า, านคำสอนของพระเจ้าไม่ได้พยาธิทำมมีทำมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี่ยนะพยาทิณงนะตาล่วงความเจ็บไายไปไม่ได้ชราคือความกำกำเกลความเก่ ชาลาคือความกาํา a z ามันกําำ k าไปเรื่อยๆเขาโกหันงินในรูปรขันนี้มันเป็นไปเชนั้นเหมือนกันหมดเลยแต่เราเข้าใจในเราเราก็ต้องทําห็นเจนตจันต้องมีธรรมะขึ้นมามีความอดทนแต่โมตุลก็หน้าที่นี่เห็นแล้วนะบางท่านท่านอดทนได้จริงๆแต่ก็ไม่ปรีบากว่าหนาวว่าร้อนว่าเย็น ถ้ามีความมอดทนเราท่องกันได้ขันตีปรมังตะโปติติกาความอมดกลั้นคือความทนทานเป็นตบากขึ้นมาเป็นตบาธรรมหน้าการรพบหน้าถือบูชาหนาเราก็ใส่รองเท้าบ้างใส่ตุงเท้าบ้างสวมหวกบ้างใส่แหงทตาทางหลายพื้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่อยู่ในที่อย่างนี้มีเตอร์มาอีก มีน้ำอุมมีน้ำบุญทิศมีช่วยให้ร่างกายเขงเราทนอยู่ได้น้ว่าเป็นผู้มีบุญผู้ติดบริหารน่ยก็น้ว่าเป็นพราตุระก็น่าสรรเสริญเขาเหมือนกันเหมือนวัดติดดำรงคงอยู่อย่างนี้ได้ผู้เดิมแรกก็เป็นผู้ที่พยายามภาคเพียนเสียสละไม่เสียสละก็ทําไม่ได้ทุกอย่าง เราก็มาอยู่แค่นี้เราต้องมีความอมดทนต่ออีกแล้วให้เห็นความเป็นไปของรูปกายอันนี้กีตาโรโลมานาคาดันตาฟันตาโจหนังเราผิวดีกันไม่เป็น จุดในนันเป็นจุดจุดดำจุดแดงเป็นนี่เคยเห็นแล้วคนป่ว ย, น, ยนุ่งกางเกงปิดหมดใก ล, ล้ๆรักษาไม่หายเนี่ยเหมือนปูดีกัเทราป่วยร่างกายป่วยเหม็น ใ น, นแล้วอย่างทิวัดอโศการลานเมชีสว่างเหมือนคนตายแล้วแต่ไม่ได้ตายกรรอะไรแต่ปุตันเทสนในชาติคนเป็นไอฟราณไปไปยิงนกดักนกหักปีกหักขา คิดดูดีะตรงผมจริงๆคือปรุงภาระเป็นขั้นตอนตามคำสอนในทางที่พระพุทธเจ้าทรัไว้เป็นปรงคนผม ในข้างบุทธการพระบองรูปประพงผมแล้วนในบรรลุธรรมเห็นความเป็นอนิจจงความไม่เที่ยงของสังขารที่มันเปลี่ยนแปลในนำใจของพระเรียเจ้าท่านน้อมเข้ามาไปในจิตของท่าน จริงแปลเปลี่ยนไปนั่นแหละถ้าเห้นตาความเป็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อานิจจังมันไม่เที่ยงส่วนอื่นก็เหมือนกันมันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะทุกขณะรุปหายใจมันเปลี่ยนอยู่แต่สันญาติเป็นเครื่องกำบงังปิดบงัง อนิจจังความเปลี่ยนแปลงนั้นทุกขังมันขังก็ทุกข์อย่างนางอุตราธิดาเป็นธิดาของนายภูณะเป็นคนกัดจน อาใจผลบุญหรือเป็นตุนทุนที่เขาได้ทำไว้แล้วไปไถนา้าทำ ม, มาเจนาบอดีก็พอดีแสวงหาทีวิเวกอยู่ใกล้ๆชาวก็จะแดงเห็นในบุญนาเนี่ย เตรียมจะหนหนใน้นายบุญนา伊แล้วมีความเลื่อมใสในประเทรารูใใ้ในยะท่านใหนัยยะเขาเวียเช้าความจำเป็นของสังขารคืออะไรนายบุญนาเขาเข้าใจ คือทรงทีนี่รงบอกกรองน้ำคือต้องการน้ำล้างหน้าแดงทุกันท่านจึง ท, ทำกัปปิยะาำนวนภาษาวิัยกับปิยะทาไม่ควรใช้เป็นไม้สีฝัน ท่านขออธิษฐานในการบมเพ็ญทานบำเพ็ญบุญนะไม่ใช่ของง่ายๆเป็นของยากจิตมันเข้าถึงธรรมแล้ว ม, มันรู้ธรรมให้ง่ายหมายความว่ามีต้นทุนอยู่แล้วปื้นของจิตมันดีอยู่แล้วง่ายประโยชน์ทันทีมันของอยู่ดีแล้วมันอาการนี่ย ทางคดากมาตานมีประธานอย่างทันมหมาเป็นประธานดกเพไก่ตกไก่รวมก็ได้สําเร็จก็มีดีอยู่แล้วอ่ะก็ได้อาศัยเห็นธรรมตอนนั้นเห็นธรรมคือได้อาศัยทําความเข้าใจได้อาศัยแต่เข้าใจสูงมันรู้ทำให้สาเร็จ ประโยชน์ของการบำเพ็ญธรรมแลวนางปัญญาของนายปุณณะก็วุงเข้าก็เดินมาพระเตะก็รู้กันว่าคนจนมันอยู่หลังบ้านไม่ใช่ไปแอบดู พิจารณานางก็เดินเห็นประเทรศแล้วจิตเลื่อมใสจึงคิดว่าบางวันเห็นพระภูมิเจ้า <c oughs> ก็ไม่มีทายรรมบางวัน ม, มีทัยธรรมไม่มี ผู้รับทักกินาทานวันนี้พระยธรรมก็มีผู้รับทักกินากรมีเห็นแล้วอาการของประมัสเสนาบุรีท่านก็รู้ในใจดูในยะ จึงแสดงอาการนิมนต์น้อมอาา่านถ้าไหวแต่ได้จึงทรงบาทมือหนึ่งนะครับเด็นางก็ใส่มือหนึ่งถือราชนะไม่นึ่งใส่บาด พอใส่หนึ่งเดียวพอละนางเรีย น, นว่าดีฉันอ่านนี้ส่วนเดียวเลยใกล้ๆบ้านส่วนเดียวพอกับมื้อหนึ่งจะแบ่งไงเป็นสองส่วนไม่ได้ดิฉันขอถวายหมดขอให้ท่านสงเคราะห์ดีฉัน ในลูกนี้ได้ลูลกหน้า่พระพุทธเจ้าพระธรรมเทนาจึงรับแล้วก็ทำพัฒกิจนางก็กลับเดือนเบลก็สว้างหุงใหม่หุงก็เป็นเข้าสวยใหม่กลับมาคอยดู นายปุนณะใจหนาหิวเหนื่อยแล้วก็หยุดนั่งดูที่พุ่มไม้คอยดูนางเห็นแล้วสามีนั่งคอยอืออธิษฐานวันนี้คอยสามียทำใจให้ดีเพื่อว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำแล้วนี่ผลแรงกล้าใหญคู่คอก หรือเอามาตักมาตีอย่างนี้เป็นทุนขอสามีทําใจให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสเนีย่ยมันสำคัญจิตที่ผ่องใสมันเห็นธรรมผัานางเดิน ม, มาเออวันนี้ขอพี่ทําใจดีเนี่สายดิฉันได้ถวายอาหารที่นํามาให้ถวาย พ, พ, พ, พ, พ, พ, พระพุทธเจ้า นายบุญดาเออเราก็ได้ถวายน้ำบุญปากถวายยาถวายแปรงทุกขันโดยอาทุ่งอันนั้นใจดีสุมาโนเรียกว่าใจดีใจไม่ถูกกิเลสมันกระทบ คว่าฆ่าความโกรธได้สาคัญมากโกทางคตวาสุ ข, ขังเสติฆ่าความโกรธได้เป็นความสุขสุขอย่างอื่นถึงหมื่นแสนก็ไม่แม่นถึงความสุขในใจที่ฆ่ากิเลสได้ฆ่าความโกรธได้ สาตุงสาตุนาจิเนชนะความไม่ดีด้วย ก, กันกระทำความดีโกเทนะกะริยังกริยังดานเนะีนะชนะความความตนีด้วยการให้จัจเจนาธิกวาดีนังชนะ ความการพูดเท็จด้วยการพูดจริงทางความเป็นจริงชนะในปุณะเมือ่อได้อาหารสายก็หลับเหมือนกันเมานังทองตึงนังตาโยนห่วงนอนก็หลับคน พอลืมตาตื่นพอสมบูรณ์เห็นเอ๊ตามันฝาดคือเป็นไงที่เขาไทานาดินละเอียดและเป็นก้อนทองขึ้นมาอันนี้ถ้าเป็นนิทานบางคนก็ไม่เชื่อหรอกเรื่องบุญเก่ามีแล้วพื้นฐานของ จังสมมานานเหมือนกันแต่มันบักจวบกันทั้งสองการเนี่ยพระเทระที่ขั้นทันหมดกิเลสแล้ว mm hmm. พื้นจิตของพระอรียเจ้าพระลาหาันมัหมดกิเลสแล้ว mm hmm. เหมือนพื้นที่ที่ทําดีได้ปลูกได้กับพืชเกิดขึ้น เกิดผลขึ้นมาจึงบอกนางเออเธอต้องดูทีพี่มันตาฝาดไปหรืออย่างไรก็ดูแล้วก็เหมือนกันอีกไปจับ ก, ก้อนนั้นมามาตุบ ก, กับขันทถยก็เป็นก้อนทองะจึงปรึกษากันจะทำอย่างไรจึงทุก เต็มเกวียนเต็มอันแล้วพาไปถวายไปเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวยังมีเยอะตั้งเป็นลเล่มเ่เกวียนทิงตูในไปเจ้าแผ่นดินให้ไปเอามาข้าบไปไว้นไไไไในเรือนรลงังปอคนไปเอาบอกว่านี่ทองของ ของกครของพรงะเจ้าไปดินหาย เ, เป็นเป็นฐานไปหมดดั้มไปหมดเลยกลับมาแล้วเธอพูดยังไงไม่ได้ของนายปุณณนะพูดว่าของปุณนะกลับเป็นทองทุกข์ขึ้นมาแล้วพระเจ้าเป็นทรงประชุมกันประชุมจึงยกเศรษฐีนะัน้นนายปุณณะเป็นเศรษฐีขึ้นมา ต่อมาลูกของนายบุญนาเชื่ออุตรธีดา <Okay. S 1> เศษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาขอให้เป็นลูกสะั้ในายื่อาค้านยังไงไถูกก้อนวอนจึงให้ไปนางไปอยู่ ในพรรษาสามเดือนน่เดือนสองเดือนครึ่งนางกพูดเออวิดามาันดาส่งให้เรามาอยู่ในสกูลมิจฉาทิฏฐิมันถูกในเรือนจำถูกขังในเรือนจำถ้าทุบตีให้่เป็นทาสนยังคงดีกว่าไม่ได้บำเป็นทาน ไ ม, ไ, มไม่ไม่รักษาศีลไม่ได้สดับรับฟังทมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตที่เลื่อมใสจึงไปเอานางจิริมารนะูปสวยมาเป็นช่วยบำรุงรักษาแทนปฏิบัติในสามีของตน จึงจ้างเรนะียกนหนึ่งมืนห้าพันกาปณ ะ, ะรุนอะรเนจ้างเขานางสบายจึงได้บำเพินทานรักษาศีลระดับรับฝั่งทศธรรมทีศาสนา พระว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าคือมีหน้าที่การแสดงธรรมประกาศพระศาสนาโดยมุกะบาลีคือบาลีป่าประพุทธเจ้ากุปันเทพินดาบารันดาพุทธกิจ ตรงตรัสรู้เป็นศาสดาออาอีกแห่งโลกแล้ว